ไม่อะไรในสรีระเนี่ยนะในสรีระของเราเนี่ยไม่มีความเศร้าหมองเพราะการอดอาหารนั้นเป็นปัจจัยปกติคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารหนึ่งวันสองวันนี่จิตเป็นยังไงสรีระก็เฉาลงเฉาลงจิตใจก็แห้งแล้งเนี่ยนะหมดเรี่ยวหมดแรงแต่อกิติไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรายังวันนั้นนั้นให้น้อมลงไปด้วยปีติสุขและความยินดีไม่แปลกนะท่านได้ชานด้วย มันท่านจึงมีความสุขในมีปีติมีความสุขมีความโสมนัสถ้าเราพึงได้ทักษินายะบุคคลผู้ประเสริฐนะถ้ามีนาบุญเช่นนี้นะแม้เดือนหนึ่งสองเดือนเราก็ไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้ในใจพึงให้ทานอันอุดมคือสูงสุดไม่หวั่นไหวเลยให้ได้เป็นเดือนๆือนเมื่อให้ทานแก่อินทรพราหมณ์นั้นเราได้ปรารถนายศปรารถนาลาบก็หาไม่ได้ เราให้ทานเราไม่ได้ต้องการจะได้มีพวกมากๆมีบริวารเยอะๆมีตำแหน่งสูงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ปรารถนาเพื่อจะได้ผ้าเยอะๆอาหารมากๆได้ปัจจัยสี่ร่ำรวยก็ไม่ใช่เราให้เพราะปรารถนาสัพพัญยุตยานเท่านั้นนะที่ให้ ให้เพื่อปรารถนาสัพพัญญุตญาณยานที่ยังรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันรู้ธรรมภายในรู้ธรรมภายนอกเป็นยานที่ยังรู้อริยสัจเป็นยานที่ยังรู้ปฏิสัมพิทาสีเป็นยานที่ยังรู้อาสาธารณะยานทั้งหมดเป็นยานที่สามารถยังรู้พระพุทธคุณทั้งหมดเนี่ยนะเป็นยานที่สามารถช่วยหรือขนสัพพสัตให้พ้นจากทุกได้พันการให้ทั้งหมดนั้นน่ะนะ เราให้พราะเราปรารถนาสัพพัญยุตยานจึงได้ประพฤติกรรมเหล่านั้นนะกายกรรมวจิจิกรรมมโนกรรมการให้ทานอ น, นั้นก็เพื่อโพธิญาณเพื่อสัพพัญยุตยานเนี่ยนะเพื่อการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มาสอนอะไรบ้างจะได้มาสอนธรรมมจัก จะได้มาสอนอธิตตะปริยยสูตรอนัตตลกนสูตรจะได้สอนปิดกสามจะได้สอนนิกายหาเป็นต้นหรือพระองค์ทำบุญให้ทานเหล่านี้ก็เพื่อที่จะประกาศข้อปฏิบัติสอนทางสวรรค์และทางแห่งพระา น, านเพื่อจะปิดกั้นทางแห่งนรกเป็นต้นอันนี้ก็เป็นใจความที่เป็นฉันท์เรียกว่าคาถาที่เป็นพระพุทธพจน์นะ ส่วนอนธิคถาได้อธิบายตามลำดับนะ เ, เริ่มนิทานกถานิทานตัวนี้แปลว่าเหตุนะนิทานนี้ไม่ได้แปลว่าแบบนิทานอิศกเป็นต้นนะแต่หมายถึงเหตุนิกาถาแปลว่าคำพูดคำพูดที่กล่าวถึงเหตนะุก็การแสดงถึงเหตุหรือว่านิทานสามอย่างนะก็คือทูเรนิทานทูเรก็คือนิทานที่มีอยู่ในที่ไกลไกล ไกลแค่ไหนก็เสียสงไขเป็นต้นนะนะอวิทูเรนิทานก็คือนิทานในที่ไม่ไม่ไกลเท่าไหร่สันนิเกนิทานก็มีอยู่ในที่ใกล้เนี่ยนะเป็นอันผู้ฟังทั้งหลายย่อมรู้แจ้งด้วยดีตั้งแต่เริ่มเรื่องเพราะฉะนั้นท่านก็จะจาแนกเรื่องราวเหล่านั้นคือเหตุการเหล่านั้นในอดีตกระทำมัดแปลว่าคาพูดที่แสดงตั้งแต่พระโพธิสัตว์สะสมบารมี ในศาสนาของพระทศพลพระนามวทีปังกรจนพระองค์นี้เสด็จอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตนี้ชื่อว่าทุเรนิทานนะตั้งแต่สุเมศบัณฑิตจนถึงจุติจากพระเวสสันดรไปเกิดในดุสิตชื่อว่าทุเรนิทานถือว่าเรื่องที่ไกลมากส่วนเรื่องราวที่เป็นไปตั้งแต่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตจนได้บรรลุโพธิโพธิญาณเนี่ยนะบรรลุสัพพัญญุตญาณ น, นะโพธิมณฑล อันนี้เรียกว่าอาวิทูเรนิธานก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะ ต, ตั้งแต่อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตห้าร้อล้านปีมาจนถึงเป็นเจ้าชายเิด็จท่าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่นานเท่าไหร่ส่วนกระทำมรรคที่เป็นไปแล้วเนี่ยนะตั้งแต่มหาโพธิมณฑลจนถึงเกิดเรื่องแต่ละแต่ละขณะแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเรื่องราวแต่ละประสูตดแต่ละประสูตดอันนี้ชื่อว่าสันติเกนิธานใกล้ ใกล้ต่อการแสดงพระธรรมแต่ละสูตรเหล่านั้นเนี่ยนะเหตุการณ์ใกล้เช่นว่าเอวามีสุตังเอกังสมยยังพระวานี่นะว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนณะนะที่ไหนดีก่อณที่นั้นอันนี้เรียกว่าสันติเกณนิฐานเรียกว่าเรื่องใกล้มากใกล้ต่อพระธรรมในเรื่องนั้นนั้นเช่นเจริยาปิดกพระองค์แสดงที่ไหนที่เมืองกบิลพัทเนี่ยนะเพราะการเหตุการณ์ที่เมืองกบิลพัทถือว่าเป็นเรื่องใกล้ ในเรื่องราวสามอย่างนั้นทุเรนิธานอาวิทุเร น, นิธานคือนิทานไกลกับนิทานไม่ไกลเนี่ยนะเป็นสัพพาสาธารณะอันนี้ถือว่าสาธารณะกับทุกเรื่องควรรู้เรื่องราวที่ไกลกับไม่ไกลส่วนสันติเกนิธานเนี่ยนะหมายถึงว่าเรื่องราวใกล้ๆอันนี้ก็ต้องใครที่จะศึกษาพระพุทธพจน์แต่ละอย่างนี้ก็ควรจะรู้ว่า พระพุทธพจน์นี้พระองค์ตรัสที่ไหนตรัสกับใครตรัสเพราะเหตุใดเป็นต้นอันนี้เรื่องใกล้ๆเราต้องเข้าใจส่วนเรื่องไกลกับเรื่องไม่ไกลอันนี้ถือว่าเป็นสาธารณะของพระธรรมทุกสูตรเนี่ยนะเป็นสาธารณะของพระธรรมทุกสูตรแต่สันติเกณนิทานเรื่องใกล้ๆนั้นไม่สาธารณะย้อนกลับไปเมื่อสี่อสงไขยแสนกับนะในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าทีปังกร พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกที่พึ่งก็คือเป็นผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเป็นที่พึ่งของผู้มีบุญทั้งหลายผู้ที่ได้สั่งสมบุญเอาไว้เนี่ยนะตอนนั้นพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็บำเพ็ญบารมีสามสิบทัดสมควรแก่อภินิหารคือความปรารถนาของพระองค์พระองค์ทรงยังบารมีที่สะสมมาเพื่อพระสัพพัญญุตยานให้ถึงที่สุด นะธรรมธรรมธรรมต่อเนื่องอนะในกุศลธรรมเหล่านั้นจนได้เสด็จอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตรอเวลาเพื่อให้เกิดความเป็นพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าบำเพ็ญบุญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็รอเวลาที่จะได้ตรัสรู้พระองค์ก็ดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นตราบเท่าอายุไขคือ576ล้านปีเนี่ยนะจุติจากนั้นแล้วก็ถือปฏิสนธิในตระกูล สักยราชในสักยะตะกูลพระองค์ได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเจริญเจริญด้วยสิริโภคเจริญด้วยสิริโสภาคอันยิ่งใหญ่หมายความว่าเป็นชีวิตของผู้ที่อยู่สุขสบายที่สุดในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนะจริญเติบโตเป็นหนุ่มโดยลำดับเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้2 9าพรรษาก็เสด็จออกมหาพิเนศกรมเรียกว่า มหาพิเนสกรมก็คือมหาเนคขมมะนั่นเองนะเป็นการออกเนคขมมะอย่างยิ่งใหญ่คําว่าเนคขมมะเนี่ยโดยปกติโดยศัพท์เนี่ยหมายถึงพระนิพพานนะตัวเนคขมมะหมายถึงพระนิพพานอุบายที่จะให้บรรลุพระนิพพานคืออะไรสมถะกับวิปัสนาผู้ที่จะเจริญสมถะวิปัสนาได้ดิดีจริงๆก็ต้องโดยมากจะบวชคือการบวชเพื่อรักษาศีลเพราะฉะนั้นคําว่าเนคขมม ะ, มมะจึงรวมตั้งแศีลสมถะวิปัสนาและ พระนิพพานพระองค์ด้ทรงเริ่มความเพียรใหญ่อยู่หกปีด้วยกันเนี่ยนะพอบวชหลังจากบวชก็ปฏิบัติเอาจริงเอาจังเอาชีวิตเป็นเข้าเล่กเนี่ยนะตลอดระยะเวลาหปีจนถึงพระองค์ประทับนั่งนักโคนต้นโพในวันวิสาขะบุรีเนี่ยนะหมายว่าวันเพ็ญสิบห้าค่ำจริงๆเมื่อเช้ามืดของเมื่อคืนเนี่ยนะเมื่อเช้ามืดของคืนที่แล้วสักตีสี่ตีหนี่แหละ ช่วงนั้นแหละช่วงที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ทางธรรมะเนี่ยนับตอนฟ้าสางเนี่ยนับเป็นวันใหม่นะของของของสมัยใหม่เขานับเที่ยงคืนใช่ไหมเที่ยงคืนเนี่ยนับวันใหม่แต่สมัยเก่าฟ้าสางแล้วจึงนับว่าเริ่มวันใหม่เริ่มนับหนึ่งเมื่อฟ้าสางนะวิธีการนับต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ายังช่วงที่ยังมืดอยู่ถือว่าเป็นเป็นของวันก่อนทั้งนั้นเลยนะเดี๋อนอย่างสมมติวันนี้เนี่ยไปถึงไหนถึงก่อนฟ้าสาง อันนัวันนี้ถึง อ, อย่างเหตุการณ์วันนี้ก็ถึงตีห้านั่นแก็ตีห้าของของวันนี้ก็ถือว่าตีห้าอยู่ตีห้าที่จะถึงข้างหน้าต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อเช้ามืดของเมื่อคืนนะถ้าถ้าเมื่อวานวั น, นวิสาขะใช่ไหมเมื่อวานวันวิสาขะพระองค์ให้ตรัสรู้เมื่อเช้ามืดเนี่ยนะก่อนสว่างเนี่ยนะพอตรัสรู้ได้สักครู่หนึ่งก็สว่างดงนั้นการตรัสรู้แบบนี้เขาเรียวกว่าก็ยังเรียกว่าวันเพนวิสาขะวันขึ้นสิบห้าค่ำ เมื่อดวงอาทิตย์ตกนะนะพูดถึงเหตุการณ์ในวันวิสาขะว่าตอนดวงอาทิตย์ตกเนี่ยนะช่วงอาทิตย์อัสดงโคตรประมาณ6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยนะตอนนั้นพระองค์ก็กำจัดมารและพลมารมารพร้อมทั้งเสนามาปรปฐมยามช่วงช่วงต้นๆเนี่ยหลังจากกำจัดมารจนถึงสี่ทุ่มพระองค์ก็ระลึกชาติได้เรียกว่ามีปุเพนิวาสานุสติยาน ในมัชิมยามก็คือประมาณสี่ทุ่มถึงตีสองพระองค์ก็ได้ที่พจักสุยานพิจารณาสัตว์เกิดสัตว์ตายพิจารณาหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปตามกรรมในปัชชิมยามตั้งแต่ตีสองเป็นต้นไปพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมยังกิเลสทั้ง 1,500 ยนให้สิ้นไปแล้วบรรลุสัมมาสาัมโพธิญาณ หลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทับอยู่แถวๆนั้นอนะ่ะเจสัปดานะเจสัปดาห์ก็ประมาณ49วันสเสด็จนะหลังจากนั้นพระองค์ก็สเสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤุกขายวันกรุงพารณาสีในวันอาสาฬหะปุรหมีก็คือขึ้น15ค่ําเดือน8ก็คือก่อนวันเข้าพรรษาหนึ่งวันเข้าพรรษานี้จะเป็นแรมหนึ่งค่ำนะวัน15ค่ํานี้เป็นวันอาสาฬหะ วันนั้นพระองค์นี่พระองค์ยังพรมทั้ง18โกรธมีพระอัญญาโกณทัญญะเป็นประมุขให้ดื่มอมตะธรรมการตรัสรู้พระนิพพานได้เริ่มมีในวันอาสาลหะปุรมีก็คือวันเพนเดือน8ปดนะวันเพนเดือน8เป็นวันที่บุคคลอื่นบรรลุพระนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแทงตลอดพระนิพพานบรรลุพระนิพพานเห็นพระนิพพานนะตรัสรู้พระนิพพานในวันวิสาขะ เหตุการณ์ผ่านไปเนี่ยจากเดือนหกไปถึงเดือนแปดก็ประมาณสองเดือนเดือนที่สองเดือนไปแล้วนั่นแหละสาวกจึงมีการตรัสรู้ตามแทงตลอดอมะตะธรรมหลายคนสมัยใหม่เขาแปลนิพานว่าตายไม่รู้ไปเอามาจากไหนไม่รู้ว่านิพานนี่แปลว่าตายนิพานเขามีแต่อมะตะแปลว่าไม่ตายทั้งนั้นเนี่ยนะไปแปลนิพานว่าตายหลายคนบอกเขากลัวนิพานมากแปลว่ากลัวตายเขาว่างั้นไปแปลนิพานว่าตายเข้า พระนิพพานนี้แปลว่าผู้ที่ตรัสรู้แล้วจะไม่ตายทําไมยังไม่ตายดูไหมก็เพราะไม่เกิดนะนะเพราะแทงตลอดธรรมะที่เลิกเกิดก็เลยไม่ตายถ้าเกิดไปแล้วมันก็ตายวันยังค่าเลยนะเกิดเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้นแหละไม่มีเหลือนะนะมันหมู่สัตว์ผู้ฟังอริยสัจธรรมแทงตลอดอริยสัจธรรมก็บรรลุอมตะธรรมเพราะว่าพระองค์แสดงธรรมจักใช่ไหม ยังธรรมจักให้เป็นไปหลังจากนั้นเวนยศัตร์มีพระยศกุลบุตรเป็นต้นพร้อมทั้งสหายอีกห้าิบห้าท่านก็ตั้งอยู่ในอรหัตผลนะห้าสิบห้าบวกห้าเท่ากับ60สบแล้วก็มอบให้พระอรหันห์หสิบรูปหกสิรูปคือปัญจวัคคีย์ทั้งห้าพระยศและสหายอีกห้าสิบห้ารวมเป็นห0สิบวกกับพระองค์อีกหนึ่งก็เป็นห1เอดเนี่ยนะรวมทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ย เมื่อท่านเหล่านั้นเนี่ยแทงตลอดอริยสัจธรรมบรรลุปเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วนั้นเนี่ยพระองค์ก็ให้ทั้ง6กสิบรูปเนี่ยไปเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกอนุเคราะห์หมายถึงอะไรอนุเคราะห์นี่เป็นชื่อของกรุณาอ น, นะด้วยอนุภาพของกรุณาไปช่วยปลดเปลื้องเขาเธอไปช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้นคาว่าอนุเคราะห์โลกอนุเคราะห์สัตว์โลกก็คือไปช่วยให้สัตว์โลกพ้นจากทุกข์อ น, นะ เราก็มาถามเราเออเรามาศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยเราพ้นทุกอะไรว้างว่าพ้นทุกได้ไหมศึกษาศาสนาเนี่ยนะมาดูนะถ้าเราศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วพ้นทุกขถือว่าได้รับการอนุเคราะห์จากศาสนาแต่ถ้าศึกษายิ่งทุกขเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นสงสัยซ้ำถูกซ้ำเติมหรือเปล่าไม่รู้อาจจะไม่ใช่ศาสนาแล้วนะเพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ปลดเรื่องสัตว์ให้พ้นจากทุกเมื่อเรียนไปศึกษาไปมันมีแต่ทุกทุกทุก ตอนแรกก็ไม่เห็นวนะ่าทุกเท่าไหรเนี่ยนะแสดงว่าเอ๊พุทธศาสนาหรือว่าองค์กรกันแน่พุทธศาสนากับองค์กรนี่คนละอย่างกันใช่ไหมองค์กรเนี่แปลว่าองค์ประชุมของกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งอาจจะไม่ใช่พระศาสนาก็ได้พระพุทธศาสนานั้นเป็นคําสอนที่อยู่ในไตรสิกขาเนี่ยนะเขามีผู้ถามว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรกันแน่ว่าพ ร, พระพุทธศาสนาจริงๆเนี่ย คือความรู้เนี่ยนะตัวพระพุทธศาสนาจริงๆอะ่ะคือตัวความรู้เพรา ะ, ะ น, นความรู้นี่แหละที่จะช่วยทําให้สัตว์โลกพ้นจากภัยนียนะในโลกนี้ความรู้ช่วยแก้ปัญหาทุกเรื่องถ้าไม่มีความรู้นี่แก้ปัญหาได้ไหมไม่ได้เพราะนนั้พระพุทธศาสนานี่คือความรู้เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยส่งอรหันตสาวกเหล่านั้นไปช่วยให้สัตว์ทั้งหลายได้เกิดความรู้เมื่อเขามีความรู้แล้วเขาจะพ้นไปจากทุกข์ถามว่ารู้อะไร รู้ทางเขาบอกว่ารู้ทางนะรู้จักวันนี้ทางโรกนี้ทางเปรตนี้ทางอสุรกายนี้ทางเดรฉานนี้ทางเกิดในสุกติโลกสวรรค์นี้คือทางแห่งพระนิพานเพื่อพ้นจากวตัตฏะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปสอนพระธรรมก็คือสอนให้รู้จักทางแห่งคติห้าและสอนให้รู้จักทางแห่งพระนิพานนั้นสมัยใหม่เนี่ยถ้าเราจะตั้งเป้าศึกษาเนี่ยนะตั้งว่าศึกษาให้รู้ทางส่วนจะเดินทางตามนั้นได้หรือไม่ หรือจะไม่เดินตามก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านะอย่างเช่นว่าสอนให้รักษาศีนก็คือเพื่อให้ออกจากทางแห่งอบายสอนให้เจริญพระสู่ทั้งหลายก็สอนให้พ้นจากกามมพบเป็นต้นนะสอนเรื่องปัญญาทั้งหลายก็คือให้พ้นจากวาตะุพันทางนะก็คือต้องรู้จักทางว่าถ้าทุศีลไปทางไหนถ้าไม่มีสมาธิไปเกิดที่ไหนถ้าไม่มีปัญญาเกิดที่ไหนเป็นต้น เพราะฉะนั้นความรู้เหล่านี้เป็นตัวที่สำคัญนะนะความรู้คือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ส่ ง, สงเคราะห์ให้สาวกทั้งหลายไปช่วยให้หมูสัตว์ทั้งหลายได้เกิดความรู้ถ้าเขาเกิดความรู้แล้วเขาก็จะพ้นจากทุกเชื่อไหมเรื่องไหนที่เราไม่สบายใจก็เรื่องนั้นคือเรื่องที่เราไม่รู้จริงอะไรก็ตามที่เราไม่รู้เรื่องนั้นเราจะไม่มีความสุขเลยเราจะไม่สบายใจเลยแต่ถ้าเรื่องใดที่เรามีความรู้เราหนักใจกับเรื่องนั้นไหม ไม่เนี่ยนะถ้ามีความรู้ในสิ่งนั้นจริงๆ จ, จะไม่มีความลำบากใจแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นการสอนให้เกิดความรู้นี่แหละเป็นคำสอนที่สอนให้พ้นภัยพระองค์นั้นก็สเสด็จไปยังที่ไหนตำบลอุรุเวลานะแต่ในระหว่างทางก็ให้พัทวัคคี30รูปตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลสกโสดาปิสกธ า, าคามีผลอนาคามีผลในไร่ฝ้า หลังจากนั้นก็เสด็จไปจนถึงตำบลอุรุเวลาแสดงปาฏิหาร3500แนะนำเฉินสามพี่น้องมีอุรุเวลากัสปะเป็นต้นเนี่ยนะอุรุเวลากัสปะนาทีกัสปะขยากัสปะพร้อมทั้งบริวารอีกพันหนึ่งแล้วก็แสดงอาทิตตะปริ ย, ยัจสูท่านเหล่านั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็ประทับนั่งอยู่ที่สวนลัทธิวันสวนลัทธิวันก็คือสวนตาหนุ่ม สวนอันนี้อยู่ใกล้กรุงราชครึกเนี่ยนะก็คือสวนแถวนั้นมีแต่ต้นตาลงั้นเลยนะแสดงว่า น, นั่งก็ต้องระวังหน่อยนะพระองค์ก็ให้พราหมณ์และครืห บ, บดีเนี่ยนะหนึ่อตอนนั้นเนี่ยตอนที่พระองค์ประทับอยู่ที่สวนลัตทีวันเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริวาร1นึ่งแหมื่นเข้าไปเฝ้า น, นะนัเข้าไปเฝ้าพระองค์ก็แสดงธรรมให้พระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริสัทธ์ หนึ่ง0สน ห, นหนคนบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นส่วนอีกหนึ่งหมื่นคนถึงสารณครนะพระเจ้าพิมพิสารก็สร้างสร้างเวลุวันมหาวิหารถวายแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ประทับอยู่ที่ที่ไหนที่วัดเวลุวันมหาวิหารเนี่ยนะต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ เวลุวันมหาวิหารทรงแต่งตั้งภาษาริบุตรโมคาลานะไว้ในตําแหน่งพระอัครส า, าวกเนี่ยนะแต่งตั้งภาษาริบตรพระโมคาลานะไว้ในอัครส า, าวกหลังจากที่ภาษาธิบรบรรลุก็มีการแสดงอะไรแสดงอะไรแสดงโอวาทปาติโมกเรียกว่าวันสาวกสันนิบาตการประชมุมสาวกพระเจ้าสุดโทธนะพระพุทธบิดาสดับข่าว ว่าพระโอรสของเราทําทุกรกิริยาหกปีได้บรรลุประมาพิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเป็นการอภิเษกนะเรียกว่าประมาพิเศษแต่เป็นสัจจพิเศษเนี่ยนะอภิเสกด้วยอริยสัจเนี่ยนะเป็นการอภิเสกที่สูงสุดเนี่ยนะอภิเสกแบบแบบครางโลกเท่าไรนะอภิเสกให้ครองราชใช่ไหมแต่นี้สัจจพิเศษอภิเสกให้เป็นพระพุทธเจ้าอริยสัจเนี่ยเสกพระโพธิสัตว์ให้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์นั้นทรงยังธรรมาจากอันบวรคือธรรมาจากที่สูงสุดให้เป็นไป น, นะพระเจ้าสุโธธนะฟังข่าวว่าตอนนี้พระองค์พร้อมทั้งสาวกอาศัยอยู่ในกรงราชครึกพระเจ้าสุโธธนะก็เลยส่งอมตะสิบคนมีบุรุษ น, นะอมตะแต่ละคนมีบุรุษหมื่นหนึ่งพันเป็นบริวารถ้าสิบคนก็อมตสิบคนก็ทหารอีกมื่นหนึ่งเป็นบริวารรับสั่งว่า พวกเจ้าจงนําโอรสของเรามาณที่นี้พวกอามาตเหล่านั้นก็ไปจนถึงกรุงราชครกอํามาตกลุ่มที่1ก็บรรลุเป็นผ้าอรหันต์กลุ่ม2องสามสี่ห้กลุ่มที่9ก้าก็บรรลุเป็นผ้าอรหันต์หมดกลุ่มที่10ก็คือพระองค์ก็ส่งพระกาลุทายีพร้อมกับอามาตท่านเหล่านั้นก็เป็นผ้าอรหันต์กาลุทายีอามาตก็อาราธนาพระพุทธเจ้าทูลความประสงค์ของพระราชบิดา ให้พระพุทธเจ้าทราบ พ, พระองค์ก็แวดล้อมด้วยภิกษุอรหันต์สองมื่นเสด็จออกจากกรุงราชครึกสองหมื่นนี้กลุ่มไหนกลุ่มชาวเมืองกบิลพัฒน์มื่นหนึ่งแล้วก็ชาวอังคากับชาวมคตอีกหมื่นหนึ่งพระองค์ก็สเสด็จถึงเมืองกบิลพัฒ์โดยระยะทาง60โยชน์พระองค์นี่เดินทางใช้เวลาสองเดือนก็คือไปเรื่อยๆเนี่ยนะไปเรื่อยๆเดือนละเดือนละ อาเขไปวัลยโยตวัลยโยต์ก็คือประมาณวันละ16กิโเมตรเป็นต้นนี่นะจากเมืองราชครกไปกบิ่ลพัทก็ไม่ใช่ใกล้เท่าไหร่นะนั่งรถกันเคลียเลยแหละใช่ไหมนั่งเครื่องบินก็หลายชั่วโมงนะกว่าจะถึงนะบรรดาเจ้าสกยะทั้งหลายผู้มาประชุมกันตอนที่พระองค์ไปถึงเมืองกบิลพัทแล้วเนี่ยนะก็มาประชุมกันด้วยหวังพระไทยว่าจะเห็นพระญาตผู้ประเสริฐของพวกเรา อันนั้นเห็นว่าญาติเนี่ยโอ้โหบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าใครก็อยากเห็นพระญาติที่สูงสุดก็เลยรับสั่งให้สร้างนิโครทารามนิโครเนี่ยแปลว่าต้นไทรอารามที่มีต้นไทรเรียกว่าสวนไทรนะก็เรียกว่าแถวนั้นเนี่ยต้นไทรเยอะเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและก็เป็นที่อยู่ของพระพิสุสง์พวกญาติๆทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะนะสักยะเหล่านั้นก็ถือดอกไม้ค้องหอมเป็นต้นทำกระทําการต้อนรับแล้วก็ทูล อาราธนาให้พระพุทธเจ้านี้เสด็จเข้าไปยังนิโครธารามอารามนี้นิโครธบวกอารามอารามก็แปลว่าเป็นที่น่ารื่นรมะนะที่จริงอีกความหมายหนึ่งก็บอกว่านิโครธารามก็คืออารามของเจ้านิโครธพระเจ้านิโครธเนี่ยเขาสละให้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะณนะที่นั้นณนะที่นั้นก็คือที่ไหนณนะนิโครธารามพระผู้มีพระภาคเจ้าเวทล้อมด้วยพระ ขีนาศพคือขีนาสวะหมายถึงว่าผู้ที่สิ้นอาสวะทั้งสองหมืนรูปประทับเหนือพุทธอาสนาอันประเสริฐที่เจ้าสักยะปูถวายเจ้าสักยะทั้งหลายเนี่ยปกติแล้วทรงมาณจากักมิได้ทรงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าคือพวกที่มีอายุน้องๆพระพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยใครก็ตามที่มีอายุต่ากว่า35จะไหว้พระพุทธเจ้าหมดเลย ส่วนพวก36ขึ้นไปพวกนี้นั่งใช้ๆเนี่ยนะพวก36 37ขึ้นไปเนี่ยจนถึงอายุเจ9 10ดบร้อยเนี่ยพวกนี้ไม่ไ ม, ไม่สนใจมีมานะมากไม่สนใจไม่ไหวอะไรสักอย่างพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูอัธยาศัยของเจ้าสักยะเหล่านั้นเนี่ยนะก็เห็นแล้วว่าใจหยาบกระด้างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าอะไรเลยที่มาก็น้องเราหลานเราญาติเราแค่นี้แหละที่มาก็ไม่ได้ว่าเคารพอะไรมากมายเนี่ยนะ พระองค์ก็เลยเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นรู้จักพระพุทธคุณพระองค์ก็เข้าจตุตถฌานมีอภิน ญ, ญาเป็นบาททําลายมานะคือทําให้เจ้าสักยะเหล่านั้นเนี่ยเป็นภาชนะรองรับธรรมเทศนาคือกําจัดมานะด้วยการแสดงปาฏิหารปาฏิหารนี่แปลว่ากําจัดก็คือกําจัดความเย่อหยิ่งความถือตัวเป็นต้นด้วยออปาการกระทําปาฏิหารเพื่อกําจัดมานะพระองค์ก็ออกจากสมาบัติเหาะขึ้นสู่อากาศ ดดเรียรายฝุ่นเนี่ยบนพระบาทลงบนพระเศียรของเจ้าสักยะเหล่านั้นถ้าเหาะข้ามหัวก็เหมือนกับว่าโปรยทุลีลงบนศรีรษะแล้วเนี่ยนะเรียก ว, ว่าเดินข้ามหัวไปเฉยอยงเนะเนีเรานี้จิตใจไม่ปกติแล้วนะสถานมากเลยนะถ้าใครเดินข้ามหัวเราได้โดยที่เรายืนอยู่เนี่ยนะพระองค์ก็ทํายะมะกะปาฏิหาริเช่นกับปาฏิหาริที่พระองค์กระทำนะํำณโคนต้นคันดามะพฤ็กคือต้นมะม่วงที่ นายคันดะนี่ยเขาปลูกเอาไว้พระราชาทอดพระเนตรเห็นความอัศจรรย์ก็คิดว่าโอรสของเรานี้เป็นบุคคลที่เลิศในโลกนะเป็นคนสุดยอดของโลกจริงๆเลยนะเมื่อพระราชาถวายบังคมนะนะเป็นการไหว้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สามครั้งแรกนะพอประสูติแล้วก็ไปจะให้ดาบทจะเอากุมาเนี่ยไปให้ไปไหว้ดาบทกลับเพราะว่า ไปให้ดาบดทวาเพราะว่าไปยืนอยู่บนชดาของดาบดทพระเจ้าสุโธธนะเห็นอย่างนั้นก็ไหว้ลูกชายครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ประทับนั่งที่ร่มว่าเนี่ยนะไม่ว่าวันฉัตรมงคลเออขอไปวันพืชมงคลเนี่ยนะเรียกว่าวันแรกนาขวัญวันที่พระราชาไถนาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็เข้าประทมมชานที่โคนต้นว่าพระราชาก็ไปไหว้ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนี่คือครั้งที่สาม เมื่อพระราชาคือพระเจ้าสุดโทธนะกราบไหว้และสักยะทั้งหลายเหล่านั้นไม่อาจจะอยู่เฉยได้ทั้งหมดก็พากันถวายบังคมคือเขานี่ยเขาเป็นอย่างนันหมายเขาว่าเขาไม่ใช่ว่าอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะยกมือกันไหว้ไหว้ก็ไหว้ทั่วไปหมดเนี่ยนะนับถือไม่นับถือไม่รู้ไหว้ไว้ไก่อนลนะประมาณ น, น, นั้นแต่ว่าสมัยพวกกลุ่มสักยะเนี่ยหมายเขาว่าถ้าเขากราบไหว้ใครเนี่ยแปลว่าเขาเคารพคนนั้นจริงๆ นิย่าว่าในครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงกระทำยมกปาฏิหารยะมะกกปาฏิหารก็คือยัปาฏิหารที่แสดงเป็นคู่คู่คือท่อไฟกับสายน้ําไหลออกมาเป็นผู้คู่ทั่วพระวรากายเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ทําปาฏิหารเปิดโลกเมื่อปาฏิหารเป็นไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะพวกมนุษย์ยืนอยู่ก็าตามนั่งอยู่ก็าตามในมนุษย์เนี่ยจะเห็นเทวดาสนทนาธรรมซึ่งกันและกันมนุษย์เห็นเทวดา เทวดาเห็นมนุษย์นี่ปกติใช่ไหมแต่มนุษย์เห็นเทวดาได้นะสรุปว่าตั้งแต่สวรรค์ชั้นจาตุมดาวเดืงยามาดุสิตนิมมานารดีปรณิมมิตาวัสวัตดีจนถึงพรมโลกพรมชั้นปฐมชาตทุติยาชาตตติยาชาติจัตุทชาติเวหพลาเนี่ยนะก็พอถึงเวหพลาก็อวิหะตัปปาสุทธสาสุทธศีอากกนิฐาก็คืออากกนิภพหมายถึงพรมชั้นสุดท้าวา่ มนุษย์มองเห็นพรมถึงขนาดระดับเห็นสุดทาวาส ด, ด้วยพุทธานุภาพอันนี้มองขึ้นบนเนี่ยมองเห็นจนถึงอากนิทภพคือพรมชั้นสุททาวาสในผืนแผ่นดินเบื้องล่างสัตว์ทั้งหลายก็มองเห็นสัตว์ทั้งหลายที่สวยมหาทุกข์อยู่ในนรกเหล่านั้นเหล่านั้นนะนะมหานรกกี่ขม ขมใหญ่หญ่ดขมสันชีวานรกกาละสุตะน ร, รกโรรุวานรกมหารรุวานรกอเวจีนรกเป็นอเวจีมหาเวจีนรกเป็นต้นแล้วก็นรกเหล่านี้เนี่ยนะมใหญ่เนี่ยขมใหญ่เนี่ยไอ้กมก็เหมือนกับว่าพูดแบบภาษาบ้านเราก็คือมีจังหวัดใหญ่ใหญอ่อยู่8จังหวัดแต่และจังหวัดมีอยู่16อำเภอรอบ 16กอำเภอโดยรอบแต่ละอำเภอโดยรอบก็ยังมีแปดตำบลโดยรอบอีกทีหนึ่งเนนะนะเขาก็มีเยอะกระจายมากถ้าแบ่งเป็นคุมตามนี้ก็หลายร้อยคุมอย่าพลาดกันแล้วกันหวังว่าไม่เจอกันที่นั่นอะไไม่เจอแล้วนะก็ไม่เจอกั น, นึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าไม่นึกถึงลืมพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ก็โบกมืออำลาสวรรค์อย่าเป็นอย่างนั้นเลยเนีนะนะนะ มันก็เลยมองเห็นลึกไปถึงโลกันตันรกสรุว่าพวกเทวดาในหมื่นจั ก, กรวาลเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเทวานุภาพอันยิ่งใหญ่บังเกิดจิตอัศจรรย์อย่างไม่เคยมีมาอันนะเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยอัศจรรย์มากอย่างไม่เคยมีมาคือถ้าพระพุทธเจ้ า, าไม่ยิ่งใหญ่แบบนั้นจริงๆเนี่ยนะเผยแพร่าศาสนาไม่ใช่เป็นของง่ายแล้วเผยแร่ก็ไม่ใช่ว่าแค่ให้เขานับถือ แต่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิดเปลี่ยนทุกอย่างนะเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นพระอริยะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาถ้าพระองค์ไม่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงเนี่ยจะไปเปลี่ยนใครได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เกิดอัศจรรย์แม้เทวดามาจากหมื่นโลกธาตุเหมาอนะั้นพากันประคองอัญชลีนมัสการพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ต่างก็เปล่งคาถาปฏิสังยุต ด, ด้วยพุทธคุณสันเสริญพระพุทธคุณพากันชมพระพุทธเจ้ า, านะของเราก็ไม่รู้จะชมว่ายังไงนะแต่ถ้าเราจะเห็นนี่เราจะชมว่ายังไงวุ้งเก่งจริงๆเลยแค่นี้เลยเก่งจริง ๆ, ๆได้เท่านี้เนาะไม่รู้จะไปชมว่ายังไงนะแต่ว่าตอนนี้ก็เมื่อคืนเนี่ยเขอิติปิโสภะคว า, ารหังสามมาสามพุทโธก็ว่าไแปลอะไร แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอาหารหันต์ไกลจากกิเลสเป็นต้นก็เออเขายัออยางชั่วหน่อยใช่ไหมแต่ชมตามปีติโสเป็นต้นก็ยังดีคําพูดเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคําพูดที่ปฏิสังยุต ด, ด้วยพุทธคุณสันเริญคุณของพระพุทธเจ้าพากันสรนเริญปรบมือร่าเริงบันเทิงประกาศถึงว่าปีติโสมนัตอ่นนะปีติโสมนัตหมายคำว่าจิตใจเนี่ยมี ปีติแล้วก็มีความสุขมากทำจิตตชรูปเนี่ยนะปิตตชรูปนะนอบน้อมอนะแปลงวาจาสันเสริญพระพุทธคุณท่านกล่าวไว้ว่ากล่าวไว้ในคำพีพุทธวงศว่าพร ม, มเทวดาเทวดาประจำภาพพื้นดินที่อยู่ตามต้นไม้เกาะแก่งแว่นแคว้นต่างๆเนี่ยนะท้าจาตุงมมหาราชพวกดาวดึงยามาดุสิตนิ ม, มานารดีปรนิมิตาวสวัสดีหรือหมู่พรหมกายิกา ต่างก็ยินดีพากันบอกกล่าวเปล่าร้องจนแพร่หลายกระจายกระจายพระพุทธคุณเพราะว่าทุกคนก็มุ่งสรรเสริญพระพุทธคุณก็บอกว่าใครที่จะศึกษาประวัติใครและศึกษาให้มันอัศจรรย์เนี่ยนะก็ศึกษาประวัติพระพุทธเจ้านี่นดีที่สุดเรียนพระพุทธคุณเนี่ยโอ้ยสบายใจที่สุดเรียกว่าเป็นคนดีที่สุดนะ ที่เรียนแล้วไม่เห็นมีข้อตำเนกข้อด่างข้อเพราะข้ออะไรถ้าเรียนประวัติคนทั่วไปเรียนไปเรียนมาก็สะดุดทางความคิดหมดศรัทธากำลังลื่นไหลไปดีๆเนี่ยศรัทธาแห้งไปเลยก็มีอย่างเงี้ยในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระทศพลตรงนี้ทศพลแปลว่าพระองค์ผู้ประกอบด้วยกำลังญาณ1ิิประการมีฐานาฐานญ า, านันกกรรมวิปากยา น, นานาทาตุญานเป็นต้นเนี่ย พระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังแห่งพระยานก็ดำเริจว่าเราจักแสดงกำลังของพระพุทธเจ้าของพระองค์เนี่ยที่ไม่มีใครเปรียบได้การที่จะแสดงกำลังของพระองค์เนี่ยนะการที่ที่พระองค์จะประกาศถึงคุณของพระองค์ให้เขาเหล่านั้นได้ทราบพระองค์ต้องเจริญการุณาเพิ่มขึ้นไปอีกนะเจริญการุณาให้การุณาเพิ่มขึ้นอีก เพื่อจะปลดเปื้องเขาให้พ้นจากความทุกข์พระองค์ก็เนรมิตจงกรมเนรมิตรัตนจงกรมในที่ประชมหมื่นจักรวาลบนอากาศหมายคำว่าจักรวาลจักรวาลทุกจักรวาลเนี่ยเขาสิเนรุในทุกจักรวาลเป็นเสาโรงจงกรมที่จงกรมที่มีใช้เสาเนี่ยหนึ่งเสาว่างั้นนะในที่จงกรมนั้นนะสำเร็จด้วยแก้วทุกประการมีเนื้อที่กว้างพื้นที่กว้างของที่จงกรมเนี่ยสิบโยต์สิคูณสิกเท่าไหร่ นะกว้างเป็นร้อยกิโลอ่ะกว้างเนี่ยเป็นร้อกิโลแล้วยาวเนี่ยเป็นหมื่นจักรวาลพระองค์ก็แสดงปาฏิหาริย์ประกาศถึงอนุภาพของสมาธิและปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นอย่างน่าอัศจรรย์ว่าพระองค์นี่สมบูรณ์ด้วยสมาธิสมาธิของพระองค์เนี่ยทำให้อ่าสมาธิและปัญญาทําให้พระองค์เนี่ยแสดงยะมะกาปาฏิหาริยญาณได้สําเร็จอะนะ ตกไปในที่แห่งเดียวกันของเทวดาและมนุษย์ผู้ไปในเวหาได้เห็นกันตามที่กล่าวมาแล้วสรุปว่าทุกคนมองเห็นพระพุทธเจ้าเดินจงกรม น, นะเทวดาก็เห็นมนุษย์ก็เห็นเป็นต้นแต่เราไปอยู่ที่ไหนนะวันนั้นได้เห็นหรือเปล่าเนาะยังนึกในใจวันที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่ตอนนั้นเนี่ยนะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนไปทําอะไรอยู่เนี่ยนะหรือไปทําอะไรคล้ายๆกับทุกวันนี่แหละ สนใจอะไรสักอย่าง่ะนะใครจะบรรลุก็บรรลุไปใครจะได้ดิบได้ดีใครจะวิสาขาบูชาประทักษิณสรรเสริญก็ทําไปฉันก็ทํางานของฉันนี่แหละว่างั้นนะนะคล้ายๆกับแบบนั้นนะสงสัยกับลักษณะนี่เนาะมึนก็เลยห่างแล้วห่างเล่าพระพุทธเจ้ากี่องค์ก็เราก็ฟาวตามเดิมใครน่าสงสารนะบอกสมัยใหม่เขาบอกพุทธศาสนาจะเสือนะ่อมแล้วสงสารพระพุทธเจ้าหรือสงสารตัวเองน้ะเนี่ยนะ ตรงนี้ก็ให้สงสารตัวเองเถอะเนี่ยถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอะไรจะเกิดขึ้นกับเราพระองค์นี่ก็สเสด็จจากที่จงกรมพระองค์ก็แสดงธรรมเนี่ยนะเป็นการแสดงยะมะกะปาฏิหารตรวจ ด, ดูวารจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายแสดงธรรมสมควรแก่อัธยาศัยของเวนยศาสต ร, ร์ทั้งหลายพระองค์นี่แสดงธรรมเขาบอกว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะพระองค์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มก่อน กลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าพวกบรรลุกับพวกไม่บรรลุเรียกว่าพับพระกับอาภับ พ, พวกอาภัพนี่แปลว่าไม่ได้บรรลุสรุปว่ายังไงก็บรรลุไม่ได้เรียกว่าพวกอาภับนะพวกที่พับพระก็คือผู้ควรบรรลุก็มาแบ่งผู้ควรบรรลุว่าทั้งหมดมีกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มมีกี่จริตแต่ละจริตควรได้ฟังแบบธรรมะแบบไหนฟังแบบถามตอบบรรลุหรือแบบแสดงไปเลยบรรลุ เป็นต้นเนี่ยนะหรือผู้ใดถามแล้วจึงบรรลุพระองค์ก็ตรวจแล้วก็แสดงธรรมก็จึงมีผู้บรรลุเพราะฉะนั้นพุทธลีลาที่พระองค์แสดงเนี่ยไม่มีที่เปรียบอันมีอนุภาพเป็นอจินไตยเดาอย่างไงก็เดาไม่ถูกพั้นพระองค์ได้แสดงไว้ในคัมภีร์พุทธวงว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้เนี่ยเป็น ผ, ผู้สูงสุดกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างไร ไม่มีใครรู้เราว่าพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรกําลังฤทธิ์ของพระองค์เป็นอย่างไรกําลังปัญญาของพระองค์เช่นไรกําลังของพระพุทธเจ้าพึงเป็นประโยชน์แก like ่ส well ัตว์โลกได้อย่างไรถ้ามีพระพุทธคุณสําเร็จถึงความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะช่วยเหลือสัตว์โลกได้อย่างไรช่วยอะไรเป็นประโยชน์แก่เขาเหล่านั้นอย่างไรเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้สูงสุดกว่าคนเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นเช่นนี้นะ เป็นเช่นนี้เป็นอย่างไรอ่าอรหันตคุณเป็นต้นเนี่ยกำลังริดกำลังปัญญาของพระองค์เป็นเช่นนี้กําลังพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกเนี่ยพระองค์มีกําลังเช่นนี้เช่นนี้เอาเถิดนีพอพระองค์คิดเนี่ยนะเพื่อจะจะให้สัตว์ทั้งหลายรู้จักกําลังของพระองค์เนี่ยกำลังของพระพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมพระองค์ก็เนรมิตรัตนะจงกรมบนท้องฟ้าอันนี้ก็เป็นการว่าท่ที่ท ที่มีข้อความมาเนี่ยที่กล่าวเนี่ยหมายว่ามีคมภีร์ที่อ้างอิงนะคืออัตรกรานเนี่ยนะอัตกถาเนี่ยเรียบเรียงอัตกถานั้นจะอิงพระพุทธพจน์ไว้เสมอดึงข้อความมาจากคัมภีร์ต่างๆแต่ว่าฉบับนี้ไม่ไม่ใส่เชิงอัดให้แต่ใส่เชิงอัดเนี่ยนะโหขงรกตามไม่ใช่น้อยเลยนะ